بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ب รำ ن ินะอฺลามีนะบ ل دنيا สตัยนฺที่อ و ل ม ل ุนยา ا ั ا ดินวะลาฮฺวะลาห์วะ ل ا ห ل ه ا ตาอิ ل ลาบิ ه ลาฮฺนนฺลีนฺอัลฺอฺซ د มอาฉฺฮฺะดุอฺลลาอฺอิล ل าอฺอิลลาหฺวะอฺห์เดห์ละาชฺรีคละวะอาฉฺฮฺ ا ดุอ و م ์มุฮั วสัลลมะทศิมันแคสีร่าอั ن บะรับบนาสัลลมะอ ف ُ س َ ن َ ا وإلّم ت غ ف ْ ل ن ا و ت ر ح َ م ْ ن ا ل َ ن َ ك ُ و ن َ ن hey َّ م ِ ن evet َ الخاسرين رَبَّنَا لَا عِنْدَلَنَا إِلَّا مَا ع َ ل ّ م ْ ت َ ن َ ا إِنَّكَ أ َ ن ْ ع َ ل ok ِ ي ن َ حَكِيمٌ رَبِّ إ ِ ش ْ ر َْ ل ِ ي ص َ د ِ ر ِ ي وَيَسِيرِي أَمْرِي و َ أ َْ ل ِ ل ْ أ ََْ ة مِنْ لِسَانِي ي ََْ ه َُ و ْ ل ِ ي س ل ا م ع ل ي ك م و ر ح م ا ل ل و ب ر ك َ ا ت الله หลังจากที่ได้สรรเสริญอลัลลอฮตบลลาและกล่าวสาวัดอิานนาบีแล้วนะครับวันนีเราก็มาสู่รายการอันุตานเพื่อชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่ใน Surah An-Naas น, นะครับอายัดที่เราจะอ่านวันนี้คืออายัดที่ 175, 176และ177นะครับสามอายัดนะครับเราเปิดไปนะครับดูที่อายัดที่ 175, 76และ177 เมื่อพี่น้องเจอแล้วนะครับเดี๋ยวเราฟังก่อนนะครับออาถึบิลเลาฮิมินาชยตอนิรราชิน์วัตลูออลัยหินนับเอัลลดี آياتنا وآياتنا فنسله منها فأتبعه الشيطان فكان من الغوين ولو ش ِ ئ ا لرفعناه بها ولكننه أخلد إلى الأرض و ا ل ت ب ع ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعها وا ف م ث ل ه ك م ث ل القلب إن تحمل عليه يلخث أو ت د ر و ه ي ل ح ث ذلك ِ م ث َ ل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقص فقص القصص لعلهم يتفكرون อ่าตัวนี้นะครับมันจะมีเป็นยักหยักอยู่นะนะเขาเป็นสลัดตัวซอดนะครับในถึงวัต มาจะทำเสห์วสันะคือเราไม่ออกเสียงคำเสหนีนะ้เราออกเสียงตัวที่อยู่หลังก็คือตวันะวัรูอลฮิมนะฮิมก็มีมสกูลแล้งมีมีนุนอันนี้ก็ออกเสียงมีมสนน ก, กุลใด้ชัดเจนเราเรียกว่าอินทัชวีนะครับนาบอัาบาลาาลดีนะาบอัลลีนบอัลนะก็ที่บุญาลิก็ก็คล้ายกันกับตัวแรกนะก็คือหมายถึงวัชหมถึงอันตอ่อนะลดี ส่ว น, นดีเนี่ยนะเป็นมัตยาอิสมุมฟะซินเรา อ, าอ่านสัาก้ารกันะครับประมาณ4หราาอือ5รกะอ่าก็มัต บ, บีตนะาหน้านี้เราจะเห็นขีดเล็กๆอยู่นั่นก็คื อ, อเราเรียกมันว่าอลิปเล็กนะก็คืออ่านสองารากะเป็นมันต บ, บีอหูนอนในระวสั้นนะเพราะว่าข้างหน้าเป็นสุกูลสุกูลที่ไหนคือที่อลิๆๆนั่นอ่า ยาทีนา่น้าอับยาก็านะ้เท่ากันเป็นมัตตาวีนะครับอะอฟันซาลาคอนะฮัมซนี้ก็วัสดุีนะครับอนะคือไม่ออกเสียงฮันซออกเสียงนูนฟันซลาคอหลังนูนมีตัวซีนอันนี้ก็เป็นรุป อ, อ่อฟ่าอ่เราก็ออกเสียงนูนควบกับซีนฟันซลคอมินฮะมินนูนสกูลนะหลังนูนเราอ่มีตัวฮะเราก็ออกเสียงนูนสกูลในชัดเจนนะบินอินและทันกีนะครับ ฟาอัตอัตเนี่ยป็นคำศัพท์ก็ตรร่อเราจะอ่านว่าฟัดไม่ได้ต้องอ่านว่าฟาอัตนะก็สังเกตว่าเขาเ ข, ขใส่ห้มซะบนอาลิปนะครับอัตบาอูชนี่ก็จำเสียลำจำเสียก็ออกเสียงอักษรอยู่หลังลำนะครั บ, บ, บอัตบาอูชชัยปอเนีที่เป็นขีดนั่นก็เท่ากับอาลิปนะครับอ่านให้ยาวสองรองาร์กาเป็นมาตบไไีอิน ปากกาแนมีนัลมีนั่นก็เป็นลำกอมาริยะออกเสียงลามพราอัดถกินกันมาโรวินแนวินก็เป็นมัดอาริอิสกูลเรา อ, อ่านอายัดนี้กันนะครับอูสบิลฮิมินาชยุกโอนิโรจิน وَتَلُعَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آ, آ, أ ت َ ي ْ ن َ ا ه ُ آيَاتِنَا فَأَنْسَلَخَ مِنْهَا ف َ أ َ ت ْ ب َ ع َ ه ُ الشَّيْطَانُ วัดตาเนี่ยนะมัไม่ใช่เป็นกรรลา้แต่มันเป็นการมีเสียงพ่มลมอัตวัดนะวัดรู้อะไรที่มันเบลลที่อาตอัลีย้สลักขมินห่า a ะต์บ้าอัลชาอิทานฟะมินะอัลว เราดูการอ่านย่อต่อไปนะครับวาลาวชิหนาลาโราฟะหน้าหูหน้านี้มันมีขีดอยู่นะครับขีดนี้ก็เป็นอะไรครับเป็นเป็นอาลินนะอลิอลเกล็กก็คือออกเสียงของอารอกะส่วนหูเนี่ยอ่านสั้นนะเพราะข้างหน้ามันเป็นสกูลคือที่กลุที่ททอลินี่แหละบีาว า, ากินนานูนูชดดะหรือนูนสับดูนะครับสับดูนี่มันสัดูน่วงนะก็คือต้องให้มีเสียงคุณนะุณนะนะู น, น, ะ น, นุ น, นะ ที่จมูกนะนมีเสียงขึ้นในจมูกมีเสียงสะเทือนนะัว่าแกินนหูหูนันนะเป็นมัสิละศิลนี่ก็เร like ียกิลากูบรอนะครับนะเราก็อ่านมากกว่าสองครเรากนะครับอัคละแดอัคเนี่ยนะจานนี้มากว่ามันม nah, ีเสียงน้ำเดือนอัคอัคมีเสียงใกล้ๆน้าเดือนนะครับอัคลาดดอีลลนะเป็นลำคอมาริยต้องกระดวนี้ขึ้นมาอลลอร อ้าวนะตัว h m z a นี่เป็นตัวตะคียเนี่ตัวรอเป็นตัวขีนเราอยา่านว่าออรออ่านว่าอ้อ่านว่าอวอาวดีวัตนะอยากอ่านว่าวัตอ่านว่าวัตนะที่ข้างบนอลิเนี่ยมันมีแค่ตัวซอสแ่งวัตวัตก็คือเราอ่านต่อไปเลยนะเราจะไม่ก็ต่อไม่หยุดวัตตาบอาวะอเราหยุดออกเสียงฮะมาด้วยนะอาว ก้ามาซาลูหูหูในเวมันเอ่อเขาเีมาซิลัสซุกรอเราออกเสียงสองคาร์กาสนะครับนะมันมีค่าค่าตัววาวเล็กๆอยู่นะเราสังเกตดูนะครับก้ามาซาลิลลินก็ลามคอมาริยะกัลบีอินนุสุกูลแล้วนนมีตัวตะเราจะสังเกตเห็นว่าสุกูลไม่มีนะที่ตัวนูนนะก็เนื่องจากว่าอ่าตัวนี้เราออกเสียงควบนะครับไม่ออกเสียงนูนตัวเดียวนะมันเป็นอิฟฟา ควกับตัวตะไปกำกอยงตัวตะตัตัฮาร์รอกเสียงเล็กตั้ิลอไลฮลฮัตฮัตก็เสียบิบอะเนี่ยฮอูยัตอูตัตรุฟหูยลฮันะออกเสียงซซาลิกาที่ตัได้ตัานเนี่ยมันมีอดิบเล็กอยู่นะออกเสียง2กนะครับมาซาลุลลุลก็เป็นลำคอมารียะ ขมิลนะก็ออกเสียงล่างนะครับลาดีนะกับซาบู B ีอายาอากับยาอนะัานใ้เท่ากันนะครับที่ยาจะมีขีดอยู่นะันะ่นคือสัญลักษณ์ว่ามันมีเป็นมัดตบีนะทับตัวอาลิบนะครับสองข้อแรกฟักฟักฟก์นะที่ตัวอาลิบนี้ก็เป็นทำซาบะซอนเหมนกันนะครับทีนะ่เราไม่อ่นว่าฟัอนว่าฟฟักกซูซิก็ซซซิลสสล่นะลากมัมเรย กสสแล้วอัลละหุมมีสุขุลและมีมิยะกอกเสียงให้ชัดเจนให้ชัดเจนมากนะหุมแล้วอัลละหุมจะแต่ฟักการุนในรุนก็เป็นมันอาดิลสุขุลว่าเราเสียน่าละ رفع นั่วบีฮะว่าแล้วกินนั่วอัคลาไดล์ละอับดีวั ต a ้บะฮาอฺ ف م ث سله كما سل الكلب إن تحمل عليه يلحس أو تثرقه ي ل ح ث فما سله كما سل الكلب إن تحمل عليه ي ل ح أو ت ت ر ه ي ل ح ذلك مثال القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكروا ดูอายะต่อไปนะครับสะนี่เป็นเป็นมัดวาญิบนะครับนัดวาญิบมุตสินร้อยอนละห้าร้ก่าเหมือนกันนะอ่านเหมือนกับมัดยาอิสนะไม่เป็นได้นะครับอ่นได้มาซาละนิลมาซาลันแล้วก็อัลกูมานเราจะอ่านสุกูลสองตัวมันมันมาเจอกันเราอ่านออกเสียงไม่ได้เราก็เอานูนนะตึ่งนูนก็คืออยู่ที่กบาลลันนะครับตันวีนนัคือนูนสุกูลเอานูนออกมาแล้วก็ใส่สระกระก็กลายเป็นมาซาละนิล ก็มุลเลดีนักดับบูบียาที่นาาญาก็อ่าในใท่ากันอากับยานะครับว่าฟูซาฮุมนวลสุขูลหลังนวลตัวฟ้าเราจะไม่เห็นสุกูลที่ตัวนวนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนวลเนี่ยไม่ได้ออกเสียงชัดเจนนะครับออกเสียงควบกับตัวฟ้าฟูซาฮุมฮุมมิมสุกูลลังมีมการาบออกเสียงมีมให้ชัดเจนนะครับฮุมกาโนยูยู เน่ยี่ยวเน่เสียงที่ออกเป็นปากเยียวลีมูนเนีมูนก็เป็นนม่อาริลกุลซา أما سلني القوم ا อ ذ ي ن كذبوا ب أ ي น ت ن ا و أ ن ف س ه นูย ن ล ا ي มู م อีกครังนะครับซาเเมซาลินิลุ่มุลลาดีนคาดะบูบอายาตินาวะอันฟูซะหุมคานนยัลิมูน เราอ่านอีกครั้งหนึ่งครับอัลลอฮฺบิลเลห์นินัสชัยตันิรจีม واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ف َ ت ب ع ه الشيطان فأتبع الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنّه أخلد إلى الأرض وتابعها وأن ف م ث سله كما سل القلب إن تحمل عليه ي ن ه ْ أو ترقه يلحس ذلك م س َ ل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون คารุนซาอมท่านนิลข้มุัลดีนัดซาบูบีอาเยตินาแวนฟุสะุมคาโนยาลิมุนครับเราก็ไปอ่านหลายๆครั้งนะครับอ่านในเกิดความชํานาญในการอ่านนะแล้วก็รักษาฮวงกมตะเจวิดนะครับนะถ้าที่จะสามารถทําได้นะครับ เรามาดูความหมายของอายัดนะครับวันนี้เราอ่านยาวนิดนึงนะแต่ว่าอความหมายก็ยาวด้วยนะครับแต่ก็จะพยายามสรุปนะครับพยายามสรุปก่อนหน้านี้เรากลับย้อนกลับไปนิดนึ่งนะครับว่าเราดูซิว่ามีอะไรบ้างที่มันเกี่ยวเนื่องเดต่อเนื่องกันบ้างไหมที่ผ่านมาครับนะเราอ่านเรื่องอะไรกลับไปดูเลยครับกลาวถึงกล่าวถึงการที่อลอฟตาลาได้เอะไรครับเอาสัญญาแก่ บันียาดัมบันีอาดัมหมายถึงมนุษย์ตั้งแต่อยู่ในกระดูกสันหลังของบรรพุรุษของพวกเขาเนี่ยนะนะเอาสัญญาอย่างอไรครับเรื่องการเป็นพระเจ้าการเป็นพระเจ้าของลาเตลานะพระองค์ทรงเป็นเพืบ้านของพวกเขาและพวกเขาก็สัญญาแล้วใช่ไหมครับดังนะนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อพวกเขาจะได้ไม่อ้างว่าเขาไม่รู้ในเรื่องเหล่านี้แล้วกอ็อีกประเด็นหนึ่ ง, งที่อธิบายไปแล้วว่า นะไม่ได้หมายความว่ามนุษย์ออกมาแล้วเขาก็ได้สัญญาต่อลาแล้วว่าอเป็นพระยาของเขาแล้วเขาก็ออกมาโดยสู่โลกดุนยาโดยที่เขาไม่มีอะไรเลยที่จะมาเตือนเขาว่าเขาได้สัญญาจากได้รับหรือได้สัญญาของลอตลาออย่างนั้นก็ไม่ใช่เพราะลอตลาได้ส่งอะไรส่งกระซูลแล้วก็ส่งคัมภีร์มาเตือนให้เขาได้ดำลึกถึงสัญญาของเขาที่มีต่อ เอาล็อตแต่ละนะเพราะฉะนั้นในวันเคียร์มัดเขาก็จะได้ไม่ไม่กล่าวว่าเขาไม่รู้ในสิ่งเหล่านี้นะแล้วก็ตอนท้ายเราก็ได้กล่าวถึงพระองค์จะพระองค์ได้ทรงแจกแจงองค์การต่างๆเพื่อให้พวกเขาได้กลับกลับอะไรกลับสู่พระองค์หมายถึงกลับสู่การตอบัตพระอค์พระองค์กลับสู่การพักดีต่อพระองค์นะตามสัญญาที่พวกเขาได้สัญญาไว้ต่อพระองค์นะครับ นะวันเราอัลลอบิส МА ทีนี้เรามาดูอายะต่อไปอายะต่อไปเอาะสงขึ้นเรื่องใหม่นะครับไม่เกี่ยวบเรื่องนั้นแล้ววัสลูอะลัยฮิมนาบอัลลดีอตยนาูอายาทีนาฟันซัลคอมินะตบะนฟากามินัลโรวอ้มัลมัดวัสลูเนี่ยใช้ใครล่ะใช้มูฮัมมัดลัมอุัลหมัดจงอ่านกให้ก่พวกเขา พวกเขาในที่นี้ก็หมายถึงพวกแาอิสราอินนะครับนที่อยู่ในสมัยท่านน บ, บี ม, มุฮัมมัดสุลามนะครับอ่านให้แก่พวกเขาได้รับทราบถึงนาบะนาบะหมายถึงอะไรครับนาบะนาบะคือข่าวคร า, าวหรือเรื่องราวอัลลอดีอาตี น, าน่าฮูนของผู้ที่เราได้ให้แก่เขาอายาที่นาอะไรอาญาองค์การหรือองค์การต่างๆของเราให้เขาไรับรู้ให้ในทีนี้หม่ถึงก็ได้รู้องค์การต่างๆของเราฟันซัลลาฮมินแทอินซัลลาฮ์มิ นะถ้าเราแปลตามศัพท์ก็คือการถลกหนังหมายถึงว่าเขาเขาละทิ้งเขาไม่ได้เอาสิ่งที่เราตลาได้ให้แก่เขาฟัดบาฮูชเชตอนและเชตอนก็ได้มาครอบงําเขาชเชตอนมาตามเขามาถึงามาครอบงําเขาปะแกไามิแดนโรวินเขาก็เป็นคนหนึ่งที่โรวีโรวีก็คือที่หลงนะโรวินก็คือคนหนึ่งจะาบันดาผู้ที่หลงซึ่ง เ, เรื่องนี้นะครับท่านดีมาพิณุกซีสรอยมอร์รรรลอนะครับท่านได้ ได้กล่าวถึงรีวย night, วะษ์มากมายนะครับแต่ว่าวอาเราลำส่วนใหญ่ท่านก็กล่าวว่ามันก็เป็นเป็นเรีวะษที่เรอิ่นะครับนะแล้วก็บางเรื่องท่านก็บอกเรากระบนะคือมันแปลกนะโดยที่มีบางท่านก็บอกว่าแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุคคลจริงนะแต่ว่าเรื่องรายละเอียดปัญหาเรื่องรายละเอียดนะบุคคลในทีน่นี้ดูที่ท่านได้กล่าวถึงนะครับท่านได้มีมีฮะดีต์ที่ ที่กล่าวโดยมีมีรายงานนะครับจากท่านอินุมัสุเราจะลองอ่านหูท่านได้กล่าวว่าวัดดูอะไรยิมนับอัลลาดีนับอัลลาดีเตนาหูอายาทีนาฟันสลักคมมินฮาฟาหูเชฟาหตอนเนี่ยท่านบอกว่าอายัดเนี้ยนะท่านบอกว่าคนที่เราเล่าวถึงว่าพระองค์ทรงให้องค์การต่างๆแก่เขาหรือว่าเขาได้รับทราบรายเรียนรู้องค์การต่างๆของพระองค์แก่เขาเนี่ย นะแล้วถ้าในในบาง ร, รีวิทย์ไดนะ้บอกว่าได้รับทราบสืงพานามของรับตลาที่ยิ่งใหญ่ที่ถ้าเขาขอดุอากับพานามนั้นแล้วเนี่ยเอาเราจะส่งรับนะซึ่งคนอื่นไม่รู้นะเร า, าอ่านหลักนั้นกะ็นะกล่าวกันอย่างนั้นทีนี้คนคนนีนะ้ท่านบอกว่าฮัวรอยุลมินบานิสไรอีนเป็นชายคนหนึ่งจากบานิสไรวินอยู่กอลุลลหูบัลอมอิบนูอับรลนะชื่อขาบัลอมอิบนูอับรลนะนั่นก็คือท่านอับ เดลล้อมัสอูดได้กล่าวกล่าวว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีตอตาดาได้กล่าวว่าคนคนนี้นะกาณาโรยุลันมินอาลินบาลโกคนคนนี้เป็นคนหนึ่งที่ชาวเมืองบาลโกเมืองเขาเชื่อเมืองบาลโกว่ากานายะอัลลาบุลอิสมาลอักบัดเขาได้ทราบถึงพระนามของลาตาที่เป็นพระนามที่ยิ่งใหญ่ว่กาณามูกีมันบิบไบตินมักตันมินันจับบารีนและเขาอยู่กับบรรดาจับบารีนบรรดาผู้ที่ ที่เราเรียกว่าพวกร่างกายใหญ่ที่อยู่ในเบตนมักดิสก่อนที่ท่านนบีมูซ่าหรือบานิสไว น, น์จะเข้าไปอาศัยในดินแดนนั้ น, นซึ่งก่อนหน้านั้นพวกพวกชนเหล่านี้อยู่อยู่ก่อนหน้าน อ, อยู่อยู่ก่อนแล้วนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้ น, นที่อาศัยอยู่กับพวกเขาก็าคือคนคนนี้แหละที่กาอับได้กล่าวถึงกาอับนี่หมายถึงกาอบอัคบาอะไรครับกาอับที่เป็น เป็นผู้รู้นะอยากชาววฮูดีนี่ผู้รู้ที่เคยเรียนรู้กีตทบของอคมพีตอรอดมาก่อนนะครับแล้วก็ยิบเนอมบาสอยาโรวันฮูก็ได้ข่าวตัวเรื่องนี้เหมือนกันนะครับท่านบอกว่าฮัวรอยเยลินมินอญญาลินยาแมนคนคนนี้นะคนที่อลาตลาได้ให้ข้อเห็นหรือได้เรียนรู้องค์การต่างๆของพระองค์เนี่ยแล้วเขาก็ะละทิ้งแล้วก็ไปตามเชยตอนเนี่ยนะคนคนนี้เป็น อาฮลยามันถาบอกว่าเป็นชาวยามันยามันขีจมินเนี่ยอยู่ก็ลุลาหูบัลองอัมนะคนเนี้ยชื่อเขาว่าบัลองอัมอัตหุลลาหุอายาติฮีฟาตารกาาะฮะอัลลอฮ์แต่ลาได้ทรงประทานองค์การต่างๆให้แก่เขาหรือว่าอาลัลลอฮ์ให้เขาได้เห็นได้เรียนรู้นะครับนะองค์การต่างๆเขาแล้วเขาก็ละทิ้งมันแล้วก็มีรายงานบอกว่าคนคนเนี้ยเป็นนบีด้วยวัลลองอาลลัมแต่ท่านอิมุล ม, มนุกษษษัซิดบอกว่ามันห่างไกลมันเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าถ้าเป็นนบีเนี่ยถามว อาจารมากลับลาเลยเป็นไปไม่ได้ครับการเป็นนบีของออของคนคนนี้เนี่ยนะท่านอิหม่ามลูกกษิตบอกว่ า, วามันมันมันห่างไกลจากความเป็นจริงเพราะว่านะก็ตามที่เรารู้แล้วว่าถ้าเป็นนบีจริงๆเนี่ยก็คงจะไม่กลับลำนะหลังจากได้รับองค์การแล้วนะครับรู้สึกว่า่านมันจะไม่มีไปไปออก เอาเอาที่ใน ม, มัสยิดไม่ได้ม่มมใช้ก่อนเอาตัวเล็กแล้วก็อันนี้นะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องนี้นครับแล้วก็มีการกล่าวกันว่ า, าจาจกอับดุลรอห์อิบอัมมอิบุอัสได้กล่าววา all, la, na, ่าวัดวลายิมนาบะอัลละนวัดวลายิมนาบะอัลลาดีอาเตนาูอัยตินาคือองค์การนี้นะอับดุลรออิบนุอัมมัตอุอัสบอกว่า อวาซอฮิบุคุมอุมัยยะอิบนอบีซุลนะก็คื อ, อพวกของท่านนั่นแหละคืออุมัยยะอับดุสุลอบบีซุลนะซึ่งเป็นชาวอาหรับในสมัยยาฮิเลียะน ะ, นะแล้วก็มีมีชีวิตทันท่านนบีนะครับอุมัยยะอิบนอบีซุลเนี่ยเป็นเป็นกวีนะแล้วก็มีชีวิตทันท่านนบีด้วยแล้วก็รับทราบองค์การต่างๆของละตลาในในในคัมภีร์ก่อนๆแล้วก็มาเรียนรู้มาเรียนรู้อันคุอ่านมาเรียนรู้คําสอนท่านนบี แต่เขาก็ละทิ้งเขาก็ไปตามอารมณ์ไม่ไม่ตามเชตตอนเดียวขึ้ไปเอาตามที่ได้รับทราบพ่าลองอารมแต่ว่าท่านอิมามนุกษิตบอกว่าคือที่หนักแน่นกว่าก็น่าจะเป็นเรื่องของบาณีสรออินมากกว่าเพราะว่านาบะอัลลดีนาเตยนาหุในนี้หมายถึงคนที่อัลลอฮาได้ให้มาในประชาชาติที่ล่วงล่วงเลยไปแล้วซึ่งแน่นอนต้องก่อนหน้าท่านาบี ก็คือหมายถึงในบานีอิสราอินนะคงจะไม่ถึงไม่ได้หมายถึง อ, อุมัยยะอิบนุอบีซุลนะที่เป็นกบีในสมัยยาฮิลียะนะครับดูองค์การต่อไปนะครับ ครับตอนนี้นะครับท่านอิมาบินุกนะซีโรยมหุลอนครับท่านได้สรุปหลังจากที่ท่านได้กล่าวถึงคำอธิบายหรือว่าการการให้ความหมายนะข้างตนเนี่ยนะท่านก็สรุปว่าวะอัมมันมัชฮูดพีซาบบินุซูลีใหินอายะฮันกามะปาอินนะฮะฮุอารอยลุนมินัมุตะกอดดีมินพีซาบานิบานีสรอินกมากอนอิบุมัสฮูดวกายรีฮมินัสลัด ท่านบอกว่าอันมะชูดหมายถึงว่า <c oughs> ก็ก็เป็นที่เป็นที่ยอมรับกันเป็นที่รู้กันทั่วไปก็คือว่าสา บ, บสาเหตุของการประทานองค์การ น, นี้นะครับนั้นมันก็คือ อ, องค์การเนี้ยกล่าวถึงชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนในยุคแรกๆในสมัยบานิสราอีนนะดังที่อิบนะฮ์และก็คนอื่นๆจากชาวซลับได้กล่าวถึงแล้วก็สรุปว่านะไม่น่าจะเป็นคนในสมัยท่านอนับดุลสลัม น, นะที่กล่าวถึงเพราะว่า อ, องคการเนี้ยอัลลอฮ์ต้งให้ท่านนาบีเนี่ยอ่านให้กับบานิสตออินได้ทราบถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตของพวกเขาเองนั่นแหละครับวะเราชินาเราฟะนาหูบีฮานะหากว่าเป็นความประสงค์ของเราเรามาถึงใครครับมาถึงอัลลอฮ์เราฟะนาหูบิฮะแน่นอนเราจะยกเขาให้สูงขึ้นด้วยมันได้มันมาถึงด้วยองค์การต่างๆของพระองค์ที่พระองค์ทรงให้ได้เขาได้เรียนรู้นะครับ เวลากินนาห ل อัคระไอิลนะแต่ว่าเขาเขาต้องการที่จะอยู่กับพื้นดินหมายถึงเขาไม่ต้องการที่จะขึ้นสู่ที่สูงเขาต้องการที่จะตามอารมณ์วัตตาอาฮาวาหูและเขาก็ตามอารมณ์ของเขาไม่ยอมยกระดับของตัวเองด้วยองค์การที่ประองค์ทรงประทานให้นะเขายอมเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบคนต่ตนาๆนะแง่ายคือคนต่ำๆนะ คือไม่ยอมที่จะทําตามคําสั่งกับเราแต่ละฟามาซาลูฮุกามาซลิมกัลบีดังนั้นนะอุปามาพวกเขาอุปามาดังสุนัตอินตาฮ์มันอะไรอินตาฮ์มิลอละัยฮียัลฮัดหากว่าเจ้าตาฮ์มินเนี่ยก็แปลว่าไล่นะครับหรืออาจจะแปลาตามตัวแปลว่าให้ให้มันแบกสิ่งของหรือว่าในแต่ว่าในตัำสิบแปลว่าไล่หากว่าเจ้าไล่มันยัลฮัดมันก็หลงใครยันฮัดในนี้ มันก็มันก็หลงดูนี่ในทีนี้บอกว่าในคำทิมบายของอท่านมามกะซิตบอกว่าท่านบอกว่าเกาลูฮุกัมาซินกัลบี การอุปมาพวกเขาอุปมาแดงสุนักอินตาหมันอรหิยยัลฮัดเอาตะตุลขูยัลฮัดท่านบอกว่าอิศตละฟันหัวิรูเนฟีมานะฟาอัมมา阿拉ซียะกีอิบเนอิสฮักท่านบอกว่าอันอันนะเบลเบลอัมันนะรือเบลอัมันเนี้ยอินตาดาอาลีซานู阿拉สตรีีนะเขาบอกว่า ยังเปรียบเทียบคนคนนี้นะนะถึงบาลอยที่ว่านะนะนะที่เป็นอ่าฮุดีในในบารีโซอนิในในยุคแรกๆอนะนะคนคนนี้เอาละแต่ลาให้ลินกอบเขาเนะี่ยห้อยมาถึงมาถึงอะไรมาถึงหน้าอกเหนะมือนเหมือนสุนัขลินห้อยนะฟาตาชบีผู้บินก็เหนะนี่เององการองค์การ น, นี้จึงเปรียบเทียบเขากับสุนัขฟีล็กซี่นะว่ฟี ว่าฟีกิน ต, าาต่ฮแลนดนี้อินไซยร์ว่าอินตาร์กานะแล้วเขาเขาก็อยู่แบบนี้เสมอไม่ว่าจะถูกไล่หรือจะจะไม่ไล่นะก็เขาสุนัขเนี้ยลิ้นจะห้อยนะก็เหมือนคนคนนี้ตีรามะนาหูนะก็มีการกล่าวกันว่าความหมายอีกความหมายก็คือว่าซารโรมิสลูหูฟีดอยแลรีฮีวอสติมโรรีฮีฟีนะเหมือนสุนัขในที่นี้ไม่ได้เหมือนสภาพจริงของสุนัขหรอก ไม่ได้ลินท้อยไป็นสุนัขหรอกแต่ว่านะเหมือนกับสุนัขในเรื่องของความหลงและการยังคงอยู่ในความหลงวาอาดามินตีฟาไอฮิบิดดูอาอิลันอีมันและเขาไม่ได้เอาประโยชน์จากการเรียกร้องสู่การศรัทธาวาอาดามินวาอาดามินดูอาจะมีการเรียกร้องหรือไม่เรียกร้องศรัทธาคนๆนี้ก็เหมือนกันนะสภาพของเขาก็คือไม่รับประโยชน์อะไรไม่รับความการกั้นบีฟี ฟีลัซีฮีฟนะีฮาลาตินะก็เปรียบเรียบเส ม, มือนกับสุนันะซึ่งอยู่ในอในการเขราเรียกว่าลิ้นมันห้อยหรือว่ามันลักษณะอลิ้นห้อยลงมาไม่ว่าเขาจะเอนะไล่มันหรือจะไม่ไล่นะหรือว่าจะบรรทุกมันหรือไม่บรรทุกก็แล้วแต่นะก็อยู่สภาพที่ลิ้นห้อยนะนั้นก็บอกว่า าประกาศลิกะให้าลายันตะพิ ว, วินม่วงอซสอวัดดา่าวัดด่าว่วดดาฮิลันอีมานว่าเราอาดามิฮีนะท่านบาาอกว่าเช่นนั้นแหละนะเขาไม่ได้เอาประโยชน์จากคําตักเตือนและคําเรียกร้องสู่การศรัทธาจะมีการเรียกร้องหรือไม่เรียกร้องก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับคนเหล่านี้กับเขากับคนแบบนี้นะกับคุณเป็นสภาพแบบนี้ดังที่ลอสะตะลาสมศัตรูในอีกองค์การหนึ่งว่า สาวาอุนอะลัยฮิมอันดาร์ตะฮุมอัมลัมตุลซิรุฮุมลายุมินุนนะสาวาอุนอะลัยฮิมเออเสมอเหมือนกันเท่าเทียมกันสำหรับพวกเขาเจ้าจะเตือนพวกเขาหรือเจ้าไม่ตักเตือนพวกเขาก็ไม่ศรัทธานะคือคนที่ไม่รับประโยชน์จากการเรียกร้องจากการตักเตือนแล้วก็อีกตอนหนึ่งในส่วนต่อมาว่าอิสต์อฟิลละฮุมอัลลาต์อิสต์อฟิลละฮุมนะเจ้าจะขอความช่วให้กับพวกเขาหรือเจ้าจะไม่ขอความช่วย หรือจะไม่ขออภัยโทษในแก่พวกเขาอ um um ินดะัสตอรฟิลลาหุมเซบาไนมราเทนฟลายเยฟิร์โลหุลาหุมนะแม้นว่าเจ้าจะขออภัยโทษพวกเขาถึงเจดสิบครั้งนะพระองค์อเลอตแลาก็ไม่ทรงให้อภัยแก่พวกเขาก็คือบอกให้ทราบว่าสาภาพนะของพวกเขาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใน เ, นเนรือสาภาพของคุณแบบนี้ไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงแล้วก็ท่านบอกว่าวัคซีนละแล้วก็มีให้ความหมายอีกว่า อันนาคอนบุนกาฟิสวันมูนาฟิกวัดดอนดาวไอฟุนฟาริกุนมินันฮาวะมินันฮูดาทษท่านบอกว่าก็มีการกล่าวกันว่าความหมายของอายันนี้ก็คือว่าบอกให้ทราบว่าหัวใจหรือจิตใจของผู้ไปเศษของมูนาฟิกของผู้ที่หลงเนี่ยเป็นหัวใจที่อ่อนแออ่าฟาริกุนฟาริกุนมินันอิมานก็คือปราศจากการศรัทธานะว่างเปล่าจากการว่างเปล่าจากทางนํา นะฮูดาคือทางนั้นฟาหัวกาซีรุนวาจีบอ่าฟาฟาอับบารออันฮาตาบิฮาตานะท่านบอกว่าก็คืออเลอตินได้เปรียบเทียบนะสภาพนะของสุนัขก็เหมือนกับสภาพของอผู้ไปเศษหรือผู้ที่เป็นมุนาฟิกผู้ที่หลงเนี่ยนะว่านะ มันว่างเปล่าหัวใจพวกเขานี่ว่างเปล่าการศรัทธานะจะเตือนจะบอกหรือจะเรียกร้องหรือไม่เรียกร้องมันก็เท่าเทียมกันเหมือนกับสุนัขนะที่เราจะไล่มันไปหรือไม่ไล่มันก็อยู่ในสภาพเดิมนะหรือจะบรรทุกหรือไม่บรรทุกมันก็อยู่สภาพเช่นนั้นนะคือลิ้นห้อยนะจะเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยก็ลิ้นห้อยนะเหมือนทเราเห็นสุนัขนะว่าหลัเยอะสุดบิลละต่อไป ฟักสุสินกศสละอันละหุมยะต้อฟังการูนนะท่านกล่าวว่ายากูลูตาลารีนบีี่ฮมอุัสิสลมอัลลอฮแตลาได้จงจัดแก่นบีของพระองค์คืออุมมัอลิสลมว่าฟักซูสินกศสจงเล่าเรื่องราวเรื่องราวก็คือเรื่องราวของบันอินนะที่ที่ที่ได้รับคำพีนะแล้วก็รับความรู้จากอัลลอฮแตลาแล้วพอก็ละทิ้งและไปตามเชตอนนั่นแหละนะละอันละหุม นะลาอันลาฮุมก็คือนะเพื่อว่าพวกเขาพวกเขาในที่เหมิงละอัลลาเบนิอิสรอีนเพื่อว่าชาวเบนิอิสรอีนอัลอลีมีนาบีแหลิบาลอัมนะเรื่องบลัลอนะัมที่รู้เรื่องอสภาพของบลัลอนะัมผู้ที่ได้รับความรู้จากลาตาลาแล้วก็ทอดทิ้งหรือละทิ้งแล้วก็ไปตามเจตตอนคนนี้นะว่ามาเยรอลาฮูฟีอิตลาดินลาฮียาหูและทราบข่าวเรื่องราวที่ที่เกี่ยวกับ ตัวเขาในเรื่องกองการที่เลาตาลาให้เขาได้หลงอ่าวิบอมีรักมติฮและให้ห่างไกลจากความเมตตาของพระองค์บีซาบีอันนอิสตะมลนมตัลลอฮอะลัยฮีตอลมีฮอัอิสอาซัมอัลลดีอิาุลาบีฮอตวอิาดูอยาบีฮอบะีดีตออติรบีน่คือด้วยสาเหตุที่ว่าเขาได้นี่มัดขอตาลา ที่พระองค์ได้ทรงสอนให้เขารู้พระ น, นามของลอที่ยิ่งใหญ่นะซึ่งพระ น, นามที่เขารู้นะเมื่อเขาขอจะเอาลอตตะลาเอลอจะทรงประทานให้เมื่อเขาดูอาเอลอจะตอบรับนะแต่ว่าเขาแทนจะใช้การขอเหล่านี้ในสิ่งที่เป็นการต่ออัตต่อพระองค์เขากลับไปดูอาในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนพระองค์น ะ, ะแล้วเขาก็ดูอาในในทางที่ให้ร้ายแก่ผู้ที่ เออศรัทธาต่อละตลานะแล้วก็เออก็ให้รต่อนาบีของอละตลาคือมูซาลิสลามนะ น, นั่นคือที่มาของของอ่ากิจะ๊อของประวัติของบาลอัมคนนี้นะว่านะขอได้รับความดีเอาละตลาให้ได้เขาเขาได้เห็นอ่าอายัด ต, ต่างๆของพระองค์นะได้รู้พระนามของพระองค์แล้วก็ได้รู้ดูอาที่จะขอแล้วให้พระองค์ทรงตอบรับนะแต่ว่า เขาไม่ได้ใช้สิ่งนี้เป็นประโยชน์กับไปใช้ในสิ่งที่เป็นปฏิบัติต่อท่านนบีเป็นปฏิบัติานนาต่อผู้ที่เป็นอเป็นเป็นอะไรเป็นพกรคพวกของรับตาลาหรือเป็นผู้ที่อยู่ในลุนทางของรับตาลานะเพราะฉะนั้นนะเขาก็ถูกลงโทษนะเขาก็ถูกทําให้หัวใจของเขาเนี่ยเป็นไงมืดสนิทแล้วก็ห่างไกลจากความเมตตาของรับตาลาแล้วก็อยู่ในความหลง นะาะการเล่าเรื่องเรื่อนี้เพื่ออะไรครับละอัลละหุมยะตาฟะคารูนเพื่อพวกเขาจะได้คิดนะเพวกเขาจะได้คิดนะยะฟะครุนทรับแปลว่ายะจารุอันยากูนะมิซละหูเขาจะได้ระวังว่าจะได้เป็นเหมือนคนคนนี้อินนัลลอฮะกอนอาตอฮุมอินมันเพราะแท้จริงแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ตราได้ให้ความรู้แก่บาเนสอีนว่าไม่ยะจารุมอัลลอัดาหุมและทรงให้พวกเขามีความพิเศษนะกวา่าคน กลุ่มอื่นๆมีแนอารอบจากชาวอาหรับที่เป็นพวกที่อยู่ตามชนบททั้งหลายนะวายาลบไอดีฮิมซีฟาตาหมหัตมัติโซลสลัมและพวกพง่ายเขาได้รู้ลักษณะของท่านนบีมอลติซลสลัมยาดฟูนะฮกมายาริฟูนับนาฮุมเขารู้จักท่านนบีหรือลักษณะของท่านนบีเหมือนกับรู้จักลูกลูกของพวกเขาฟาหัวฮักกุนนาสวาอาเลหุม บิตติบาไอฮีวอมุนาซลอติฮีบ้นเขาจึงเป็นผู้ที่สมควรที่สุดที่จะตามท่านนบีและก็ช่วยเหลือท่านนบีวามุอาซีรอติฮีนะและการให้การาคุ้มครองให้การดูแลท่านนะกามาอัคบารดฮุมนอะัมเบียอูฮุมบิดะลิกดังที่บรรดานบีพวกเขาได้บอกให้พวกเขากระทำเช่นนั้นว่อาอัมรดฮุมบีและได้ใช้นะได้บอกให้ทราบแล้วก็ได้ใช้พวกเขากระทเช่นนั้น ว َلِهَذَا ลีฮาดะมันข้อละฟ้ามินฮุมปีกิตาบีฮีวักวักัตมิฮีวักัตมิฮีฟัลลัมยะล م มบีฮีอัลฟัลลัมยะลัมบีฮีอัลไอบาดฟัลลัมยุอัลลิมบีฮีอับอฮุลลิดุนยว่าเอาบินอะไ่าบอกว่าด้เห็นนี้เองผู้ที่ ผู้ที่ขวาฝืนในหมู่พวกเขาฝากฝืนอะไรข่าฝืนสิ่งที่มีอยู่ในคมภีร์ของพวกเขาคัมภีร์ของพระองค์แล้วก็ปิดบังคมภีร์นั้นไม่บอกให้บรรดาบ่าวของพระองค์ได้รับทราบเราก็จะทําให้พวกเขาเนี่ยประสบกับความตําต้อยในดุนยาและความตําต้อยนี้ไปถึงอาเคโรนด้วยไม่ใช่เฉพาะจความตําต้อยในดุนย า, านั่นก็คื อ, อบอกเตือนให้กับบาณิสอินได้รับทราบว่าตัวอย่างมีแล้วในกลุ่มก็พวกเขา คนที่ได้รับความดีจะรับแต่ลาด้วยการให้รู้ให้เข้าใจองค์การของพระองค์แล้วก็เขาเขาอะไรครับเขากลับหลังหันเขาไม่ยอมที่จะนําสิ่งเหล่านั้นไปใช้ในวิถีของละแตละเขากลับไปตามอารมณ์และไปตามเชตตอนในที่สุดเขาก็อยู่ในความหลงและก่างไกลจากความมตรตาของพระองค์เพราะฉนั้นว่านิสอินที่เหลืออยู่ในมัยท่านนาบี ที่ได้รับคำพิสู์แล้วได้รู้เรื่องต่างๆจากท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลต่านแล้วเขาก็ควรที่จะเอาความรู้ของเขาเนี่ยมาใช้แล้วก็มาศรัทธาต่อท่านนาบีทําตามคําสั่งของบรรดาอนนบีของพวกเขาถ้าเขาไม่ทําเขาก็จะประสบกับความต่ําต้อย เ, อเหมือนกับาบาลามที่กล่าวถึงอะไรครับในโลกดุนยาแล้วก็ในวันอาคีรอวันตัว น, นี้อัลลอฮฺจึงกล่าวว่าอาัลลอฮฺอัุมยะตะฟักการูนเพื่อพวกเขาจะได้คิดจะได้ไข้ควร ต่อไปอีกอายัดหนึ่งใช่ไหมครับซาอามาซาลินเขามุลละดีนะกษัะบูบิอายาที่หน้าซาอากไปว่าช่างเลวยิ่งตัวอย่างหรือว่าการอุปมาไม่ของพวกที่ไปเศษองค์การของเราองค์การต่างๆของเราว่าอัมฟุซาหุมการูยัติมูลและพวกเขาทําต่อพวกเขาเองคาอัมฟุซามือตัวพวกเขาการูยัติมูลก็คืออทําต่อพวกเขาเอง นะท่าอ nah, ิหมามุกซ am ah um ิดแปลว่าอัมพุสะหุมการอุยติมูนมาโซลามาหุมุลลออัลลอฮ์ไม่ได้อาทามแต่พวกเขาวลากินหุมโซลามูอัมพุสะหุมแต่พวกเขาอาทามต่อตัวพวกเขาเองบีอัลลอฮี่หิมอันอิติบะอินฮูดะนะด้วยการที่เขาไม่ตามทางนำว่าตออติลโมลาและไม่ตามอัลลอฮ์ตะลาอิลาลุกูนีอิลัดดาริลบะละ วันอีกบาลีอลาตาซิลอัลซาดวันมาวาคิบวันมาวากิบอัลฮวาอัลฮวาหรืออัลฮวีท่านบอกว่าเขาไม่ได้ตามอัลลอฮฺแต่เขาชอบอและเขามีความสุขที่จะอยู่กับโลกดุนยาที่มันที่มันบาลาก็คือมันมันไม่มันไม่มั่นคงแล้วก็เขามุ่งหวังที่จะได้รับ นะสิ่งที่สิ่งที่เป็นเรื่องของความตกต่ำในสิ่งที่มีในโลกดุนยานะคือไม่ได้มีอะไรที่ที่เป็นเรื่องของความยั่งยืนหรือที่ดีกว่าสิ่งที่เขาจะรับในอาเคโรท่านเชฟนูสัยมีนนะครับได้สรุปอายัด ต, ตอนนี้ไว้นิดหนึ่งนะครับนะท่านบอกว่าอายัดนี้นะ อายะที่ที่อัลล์ทรงตัดอันเนี้ยวัตถอะิมนาบอัลลดีอตนาูอายินาฟันสลมินฮาฟต์ูฟุชัยตอนระกานมนนกอวินท่านบอกว่านาองการเนี้ยกล่าวถึงผู้ที่อัลลอ์ตลาได้ให้อ่าให้ขอได้เห็นสัญญาณต่างๆหรือว่าอ่า อ, องการต่างๆของพระองค์นซึ่งเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นอาลันอ่าคือไม่ได้เหมาะ กับสิ่งที่รับเหล่านี้นะไม่ได้เป็นพวกที่เขาควรที่จะได้รับการยกย่องจากพระองค์เพราะฉะนั้นเพราะอะไรเพราะว่าอักระดาหูอิลลัลนะคือเขาชอบที่จะอยู่ต่ําๆเขาชอบของที่อยู่ใกล้ๆไม่ชอบความสูงส่งณอัลลอฮฺตะลาว่ามาละอิลัยฮิวะซอร์อัคบารุฮัมมูฮุอัยยานาลุหูซูซาฮูมิลดุญยาหูซูซาฮูมิลดุญยา ไอ้ยานาละฮูรูซาฮูมินะฮูรูซาซาฮูมินะดุนยาหมายถึงว่าความเป็นอยู่ของเขาแต่ละวันเนี่ยความมุ่งหวังของเขาที่สูงสุดก็คือต้องการได้รับผลประโยชน์โลกดุนยาสวัสดอันกานายูรีดุนยานะก็บางทีก็ต้องการในเรื่องของชื่อเสียงอาวินมานหรือทรัพย์สินเอามัรดกหรือว่าขั้นต่างๆระดับชั้นนะหรืออื่นๆนะท่านบอกว่า องค์การนี้กล่าวถึงบุคคลที่มีลักษณะเช่นนี้เอาลอตได้ให้รับความรู้แล้วความรู้ที่มาจากลอตเตอร์แต่แทนที่เขาจะเลือกเอาสิ่งที่สูงส่งเอาความโปรดปรานของอลอตเตอร์ความเมตตาของพระองค์คก็กลับมามุ่งหวังที่จะเอาชีวิตในโลกดุนยามุ่งหวังที่จะได้รับความสุขในโลกดุนยาแ ล, าล้วก็ละทิง้งสิ่งที่เป็นความรู้ที่ที่อทอลอตจะให้เขา ม, มากมายในอาเคโระมันข็กลายเป็นโรวินผู้ที่หลงท่านบอกว่า หะดิษนี้นะหรืออายันนี้เถดอายัดเนี่ยอัยนนอยลลอฮฺตัラーได้สั่งให้ท่านนาบีของท่านได้อ่า น, นเรื่องราวของอคนที่อัลลอหฺตัลาได้ให้ความรู้แก่เขาให้รู้อักามิชาริอาริฮให้รู้ฮุกุม ใ, ใ, ให้รู้บัญญัติศาสนาของพระองค์แล้วก็ทรงอธิบายให้เขาได้เข้าใจว่าละกินนะผู้วันอายาสบินและอินซิลาคอมินทาแต่ว่าเขคนนี้นะอยายาสบินและเขาความคลองจากอัลลอฮฺตจะเป็นเช่นนั้นก็คือ เขาเขาออกจากความรู้อันนั้นเขากลับลำนะอินสลาทอคือมัทหลกหนังนะความรู้มีแต่ว่าเอาความรู้ทิ้งนะวาตาร์ก้าหาทิ้งมันนะฟะตาบีอาฮุเชยตอนนั้นเะชยตอนก็ตามเขาฝากวาหูแล้วก็ทําให้เขาหลงว่าะเชยตอนเห็นแล้วว่าคนนี้ชอบดินยามากกว่าอาเคโรคอาเชยตอนก็เลยมาครอบงาเขาและทําให้เขาหลงและคนเช่นนี้นะล่องจัดว่าเราชินาเราฟะนาหูบิหะ ถ้าเป็นความประสงค์ของรอดแล้วเนี่ยเขาจะยกให้ใหเขาอนู่อยู่สูงสูงด้วยอะไรครับด้วยความรู้ที่เขาได้รับด้วยสัญญาด้วยองค์การต่างๆที่อาลาตราได้ให้แก่เขานะให้เขาได้อยู่ในตําแหน่งที่สูงส่งนะเมื่อเขาได้ไปฏิบัติในสิ่งที่เป็นหน้าที่ในเรื่องของการเผยแพร่ในเรื่องของการนําองค์การต่างๆอาลาตราาไปสอนนะจำบอกว่าไอ อัลลอฮอตาฮุลลอฮอายาต์ไลซาอัลันลิอันนะลิอัยยัฟววอันนคื อ, อคนแรกที่เราลกกล่าวถึงนะคนที่เอกกล่าวถึงนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคนที่เหมาะที่จะได้รับความสูงส่งจากองค์การทั้งหลายเพราะเขาชอบที่จะอยู่กับสิ่งตำ่ตำๆนะแล้วเขาก็ใช้ชีวิตกับสิ่งตำ่ตำๆ่ในโลกดุนยาพยายามที่จะใช้สิ่งที่เราให้มาความรู้ของเขามันกับคนเนียบาลอมคนนี้น ดูอาที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยให้ดูอาในสิ่งที่ดีแต่เขากลับไปดูอาในในในทางที่เป็นปฏิปักษ์ต่อนบีของเขาเองนะต่อผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์จัลลานะเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ ก, ก็ไม่ให้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่เขาได้รับและในสุดนะเขาก็เลือกที่จะเอาชีวิตบุรดาแทนที่จะเอาชีวิตอาคราีนะระอัลลอฮ์จึงไม่ยกให้เขาอยู่ในตำแหน่งที่สูงส่งนะอัลลอฮ์จัลลา นั้นการเปรียบเทียบของเขาคือฟาร์มาซิเลย์หกรมกกษนะคนนี้จึงเปรียบเทียบเหมือนกับสุนัขไม่ว่าเราจะไล่มันหรือไม่ไล่มันมันก็เล็บลิ้นอยู่อย่างนั้นแหลนะนะคือบอกถึงว่าไม่มีประโยชน์อะไระจากการไปสื่อสารหรือไปไปไล่หรือไม่ไล่นะหรือว่าจะให้มันทุกหรือไม่บรรทุกมันก็อยู่ในสภาพเดิมของมั น, นเหมือนกับคนที่ ได้ยินคําเรียกร้องของอัลลอฮฺของรอซูลนะแต่ไม่ได้เอาประโยชน์จากมันได้ยินคําตักเกียร์แต่ไม่ได้รับประโยชน์จากคําตักเตือนก็เปรียบเหมือนกับสุนนะนะวะหลังยาสิบินลอแล้วก็ในตอนท้ายเราต้องจัดว่านั่นะแหละคือการอะไรครับมาซาลุนก้อมลลลลลลินละตินละกัสบิบิอายาตินละนะเป็นการเปรียบเทียบของพวกที่ไปเสด็จองการของลาติลาก็แสดงว่าไม่ได้ไหมายถึงคนคนนั้นคนเดียว ไม่ใช่มาถึงบาลออมคนนั้นคนเดียวแต่ว่ามาถึงคนอื่นด้วยนะที่ที่ไปเศษนะองค์การรอบตาาหลังจากที่เขาได้รับทราบรับรู้แล้วแล้วก็ละทิ้งไม่นํามาปฏิบัติแล้วก็ไม่นําไปเผยแพ่คนอื่นนะก็เป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นอลัลลอฮฺสั่งให้ท่านนาบีได้เล่าเรื่องราวนี้ให้กับบาเนโซอินควังเพื่อเขาจะได้ได้ใครควรจะได้ใช้ความคิดนะเขาจะไม่เอาแบบอย่างของคนคนนั้นนะ แล้วก็เป็นตัวอย่างอุทาหรณ์แก่พวกเราด้วยนะไม่ใช่เฉพาะแวนิอิสรอลินนะพวกที่มีชีวิตยอยู่ในปัจจุบันด้วยว่าถ้าใครทำอย่างนั้นนะเขาก็เหมือนกับสุนัขน่ะที่แลบลินนะมีไฮดิทหนึ่งที่อิหมามนูกะซิดได้ได้กล่าวถึงนะจะอ่านพี่น้องฟังเป็ไดิที่เอ่อที่มันมันน่าจะรับทราบนะครับ เดี๋ยวห้ดิสค่อยอ่านก็ได้ น, นะเพราะถ้าเราอ่านแล้วมันจะยาว <c oughs> ดูสั้นๆก็ได้นะนยมันเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับคนที่ เ, เรียนรู้อัลกุรอานแล้วก็ ไม่ได้อาอัลกุรอานเนี่ยไปใช้ให้มันถูกต้องนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือคนที่หลงตนนะคิดว่ามีความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอานแล้วแล้วก็ดูคนอื่นเหมือนกับว่าไม่รู้อะไรแล้วก็ไปไปอะไรครับไปดูถูกหรือไปกล่าวร้ายคนอื่นเขานะคือใช้วิชาในทางที่ไม่ถูกมีหัดีิษรายงานนะจาก คู่ใจฝ้ายอิบเนยามันราอยาลองอันหูนะครับดีตนี้เป็นอดีตที่อยู่ในสุนันอิอิบนยฮิบบ้านนะนักสืออิบนยฮิบบ้านไม่ใช่สุนันอิบนฮิบบ้านเนี่ยไซฮะนะซอิบนยิบบ้านแล้วก็ของบรรดแล้วก็มัจมะของอัลฮัยซามีโดยสาแรายงานที่ฮสซันนะแต่ว่าท่านอัลอัน บ, บานีบอกเป็นอดีตไซฮะนะอลองอันละนะตัวนี้อับานีบอกว่าเป็นดีตที่ Saya nashahahu albani. <laughs> uh, Hassenahu itu albani benhadid Hassan. Nah. Hadid berkata, "Kor al Rasulullahi sallallam. Tuan Rasulullah mengatakan, Tuan Rasulullah sallallam mengatakan, Inna mima akhwah alai kum royalun. Kor al Quran." แท้จริงจากสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดแก่พวกท่านก็คือคนคนหนึ่งที่หรือว่าคนที่อ่านอัลกุรอานถ้าอ่านกุรอา น, น่จำอัลกุรอานด้วยมีนอ่านอย่างเดียวนะฮะต้าอีรอยดบะฮยทฮอยฮวกนริอุลอิสลามตาอิลามาชาอัลลอฮอินซลกอมินหู วันนบตาหูว่ารออาสุฮ์รีฮีว่าแสงอัลลาจารีฮีบิษไซฟีว่ารอมาหูบิษชิร์กีก็ลาคุนตุยาหนุ่ยอัลลอฮ์อัยยุห์มะอัลลอฮ์บิษชิร์กีอัลมาร์มีอัลวิรอมีก็ลบรอมีท่านบอกว่าอิสนาดูหูยายินะคือสายรายงานของหัดีิบแบบเนี้ยนะดีนะ แล้วก็ก็เมืนที่บอกเลยว่าท่านเชอันบานีเว่าเป็นฮันดิษที่คสันนะครับนะเอกสารรายงานแล้วก็ไม่ต้องอ่านมากทีนี้เรามาดูนิดหนึง่งว่าฮาัดดษเนี่ยที่เรากล่าวถึงเนี่ยนะจากท่านคุยไฟเนี่ยอินนามะอกวาฟุอาไลุมรอยุลก์กอเนกุอรนฮัตตาอีดารูอิยับาฮยาตูฮูอาไลฮีวกะนาริด ริดน uh ั่นลินอิสลามไกยราหูอิลามาชาอัลลอฮฺฟันสลักขอมิหนูวานบัตฮูวาราะฮ์ซูฮ์ริฮีวะสาอาละจาริฮีบิษัยทีวารอมะฮูบิ شرك ีก็ละคุนตุยาหนบีย์อัลลอฮฺไอหุมะอุล่าบิ شرك ีัลมารมิยูอะมิรรามีกาล่าบัลิรรามีนะอันท่านอิหมัมอุลกษิดวยเป็ hadith ที่สายงานยายิด แต่ว่าอิมามอันบาเนีาเป็นอะดิษฮัสซันนะฮสซัาาสนคาซันก็คือใช้ได้นะครับแล้วก็มีหะดิษอื่นที่มายืนยันความหมายก็คืออะดิษที่ว่าอยุมัมรีอินกอลาลีอะคีฮิยากาฟิรฟกบาบีฮะฮาดููมาอิกานกามากอลาวอินละรอยาอัลอซึ่งหะดิษนี้เป็นอะดิษที่มาให้ที่มีความหมายมาสนนุนหะดิษนี้นะครับ ซึ่งเราทำความให้ความหมายไงนะความหมายก็คือว่าฮะดิษจากคุณสาฟ้าเนี่ยบอกว่านะแท้จริงแล้วนะสิ่งที่ฉันกลัวต่อพวกท่านนะกลัวว่าจะเกิดกับพวกท่านมากที่สุดก็คือการที่คนคนหนึ่งอ่านอัลกุรอานจนกระทั่งว่าอ่านดีเลยครับจําดีต้องดีอะไรต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วนะนะแล้วก็นะเหมือนกับว่าเขาเป็นเป็นคนหนึ่งที่เป็นเหมือนกับ อะไรคือเป็นคนที่เป็นตัวอย่างของของอิสลามล่ะเป็นคนที่ที่มีความมีความครึงคัดมีความมีความถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยสภาพของเขาเนี่ยโอ้นี่คือมุสลิมแหละนะนี่คือผู้เที่ยงคัดผู้แข็งแกร่งในศตวนานะแล้วก็สิ่งที่เขาทำหลังจากนั้นก็คือไรา ย, ยราหูอิลามาชาอัลลอ นะเขก็เปลี่ยนนะสิ่งที่เขาได้รู้มาเนี่ยนะอิลามาชาลตั้มที่รประสงค์ประสงค์มายถึงว่าก็าเปลี่ยนจากความรู้ที่เป็นความรู้ถูกต้องเนะี่ยกลายเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องนะแล้วก็อ่าฟันซาลคอมินหูแล้วเขาก็อ่าละทิ้งในสิ่งที่เป็นความรู้ที่ถูกต้องอ่าวานาบาซะหูวารออาซอริฮี ah แล้วก็ทิ้งมันไว้เบื้องหลังวาซาอาอาลาญาริฮีบิเศษแล้วก็พยายามที่จะไปอ่าไปอะไรครับไป ฆ่าควันคนอื่นนะไปรบราฆ่าควันกับคนอื่นผู้อย่างนั้นครับคือคือเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยอยู่บนทางนำที่ถูกต้องแล้วคนอื่นอย่บนทางที่ผิดแล้วก็ไปไปฆ่าควันเขาไปทำร้ายเขาวาเรามาผู้บิชิร์กีนะแล้วก็ไปกล่าวหาว่าเขาเป็นมุชริกนะก็แหละคุณไซบาถามว่ากุญตูยานะบิลลัลอะยูมาอัลาบิชิดนะคุณไซบาถามว่าอ oh, oh, ัลลอฮฺอัลลอฮฺ นะใครละ่ะที่ที่ควรจะเป็นคนที่ปฏิบัติในสิ่งเป็นชิริกมากกว่าอัลมัรมีคนที่ถูกกล่าวหาหรือว่าคนที่ไปกล่าวหาคนอื่นท่านบอกว่าบัณฑรมีนะท่านบอกว่าที่จริงแล้วก็คือคนที่ไปกล่าวหาคนอื่นนั่นแหละคือคนที่เป็นการทำการชิริกนะแล้วก็ไฮดิเนี้ยมันมีไฮดีิที่ส่งเสริมหรือว่าสนนุนความหมายนี้ก็คือจากอุมาเราจะลองอัานผูที่ท่านนาบีได้กล่าวว่าไอยู ไอยูมัมบรีนก็ลาลิอาคีฮิยะกาเฟสใครคนใดที่กล่าวแก่พี่น้องของเขาว่าโอกาเฟสนะเรียกเขาว่ากาเฟตปรากอฏบาร์บีฮาอาดูมาท่านบอกว่าคําว่ากาเฟสเนี่ยมันจะต้องกลับไปหาคนหนึ่งคนใดในทั้งสองในสองคนนี้อิงกานากามากา็ล่ะถ้าหากว่าเหมือนที่เขากล่าวก็คนนั้นแหละกาเฟตว่าอินละรอยาอัอิไลฮีแต่ถ้าหากว่าคนนั้นไม่ใช่กาเฟสการเป็นกาเฟตก็กลับมาหา ตัวเขาพราะนั้นารที่ไปชี้ว่าใครเป็นกาเฟสหรือไม่กาเฟสเนี่ย เ, เราเขาต้องมีความอะไรครับชัดเจนนะแล้วก็อมีความรู้จริงๆรนะถ้าหากว่าไม่มีความชัดเจนการที่ไปหาว่าคนอื่นกาเฟสมันจะกลับมาสู่ตัวเร า, เาที่เราที่บางคนชอบกล่าวใช่ไหมคนนั้นว่าอาว่าพวกนั้นกาเฟสพวกนี้กาเฟสหนึงครึ่งครึ่งถามว่ากาเฟสจริงหรือเปล่าหรือว่าขากาเฟสแล้วเขาเขาปิดอะไร ถ้าเขายึดมั่นในกิตตบุญลักษณะตบีกว่ากองกาเฟนี่กาเฟจะกลับไปหาใครกลับไปหาตัวเองนั่นคือฮะดิษที่มาส่งเสริมฮะดิษแรกว่าจะมีคนเพ่อนท่านที่นบีว่าจันรกลัวแสดงว่าจะมีคนที่มามามีลักษณะเช่นนี้มีลักษณะเช่นนี้ซึ่งลักษณะเช่นนี้นัก็คือนันกอิชารว่านั่นคือขอว่าดิลักษณะข้อที่มีฮะดิษอื่นที่บอกว่าเขาอ่านกอ่านอันกูอ่านไม่ไม่้ลกกระเดือกเขาหมายถึงว่าอัานกูอ่านที่เขาอ่าน เหมือนกับว่าเขาจะเข้าใจแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เข้าใจออกจากออกจากศาสนาเหมือนกับเหมือนกับลูกศรที่ออกจากรังธนูหมายถึงว่ามันไกลไกลลิฟนะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเขาอเป็นผู้ที่เข้าจศาสนาแล้วก็มีไฮดิสที่ท่านไิกล่าวว่าถ้าไปดูการละหมาดของพวกเขาแล้วเนี่ยท่านจะรู้สึกว่าการละหมาดของท่านเนี่ยด้อยมากถ้าไปดูการถือธนูของเขาแล้วเนี่ยท่านจะรู้สึกว่าการถือธนูของท่านเนี่ยด้อยมาก ไปดูลักษณะของพวกเขาเนี่ยท่านเหมือนตัวเองไม่มีอะไรเพราะเพราะรู้รู้สึกว่าเขาเคิึงมากแต่ความคลึงของเขาเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เขาอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องนะเพราะว่าเขาเลยเถิดนะก็คือนนคอลุลาดนะคือการเลยเถิดออกนอกศาสนาเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้นะมันบอกอะไรประการแรกคือบอกว่าให้เราระวังในการตักฟีดตะฟีดคือในการที่ไปกล่าวกับคนมุสลิมกับคนมุสลิม ที่เขายึดมั่นกับกีตายบุสุษนัก น, นบีเขาอยู่บนหลักการศาสนาเขาไม่ไออกนอกศาสนาว่าเขาเป็นคนกาเีธหรือว่าไปกล่าวหานเนื่องจากเขาทําบาปใหญ่ซึ่งบาปใหญ่นั้นไม่ได้ทําให้คนเป็นผู้ปฏิเสธเราก็บอกแล้วแต่ว่าในทันะของค า, ารวาลิตเนี่ยถือว่าใครทําบาปใหญ่แล้วก็คือคนนั้นปฏิเสธศาสนาออกนอกศาสนาแล้วก็เรียกเขาว่าเป็นกาเฟธแต่ลูกศิษย์นักวิญญาณบอกว่าคนทําบาปใหญ่ไม่ใช่กาเฟธแต่เป็นมุ่งมินฟาส ฟาสิกหรือว่าอาซินนะเป็นคนมุขมินที่ที่ทำความชั่วไม่ใช่เป็นมุขมินที่ดีนะนะแต่เขาก็ายังไม่ได้ออกนอกศาสนานะนอกจากว่าเขาไปกระทำการที่ที่บอกว่าคุกบุนแบลว่าเป็นกาะเวรที่ชัดเจนนะเช่นว่าดาวรอยดารัาาสซูลชัดเจนในการตั้งใจเนียนั่นคือนั่นคือกาเฟ่เลนะนะหรือว่าไปสวนทางกับกีตาบุญักสนัตไบบีอย่างชัดเจนนะ อันนั้นคือเป็นผู้ที่ตั้งใจด้วยนะถ้าไม่ตั้งใจหรือไม่ไม่รู้เนี่ยก็ก็ไม่เดี๋ยวเขากาเฟซเพราะเขาเข้าใจผิดนั้นเมื่อเขาเข้าใจผิดเนี่ยเราก็เขาไปว่าเขาไม่ได้นะเพราะเราก็ไม่รู้นะถ้าเรารู้ชัดเจนว่านะเขาตั้งใจจะกระทําอย่างนี้นะตั้งใจที่จะไปเสด็จล้อไปเสด็จรอซุด น, นี่กคือกาเฟซอ่าแล้วก็ไฮดี่นี้นะประเด็นที่สองที่ต้องกล่าวถึงก็คือว่าการไปกล่าวหานะมุสลิมว่าคาเฟซนั้นนะ มันเป็นมันเป็นการเขาเรียกว่ามันเป็นการกระทําที่ที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปตัดสินนะพู้ตัดสินนี่คือใครครับสุนตอนเชียร์อีสุนตอนก็คือผู้ที่มีอํานาจในการตัดสินนะตัดสินว่าคนนี้เป็นลุนกาเฟิคนนี้เป็นคน อ, ออกนอกศาสนาอาจจะถูกวางชีวิตนะแต่เราไปตัดสินเองได้ไหมก็ไม่ได้นะเพราะนั้นก็ต้องอไม่กล่าวหา นะโดยที่เราเราไม่ได้มีหน้าที่อะไรที่จะไปกล่าวหานะครับนะก็เหมือนที่กล่าวแล้วว่าถ้าเราไปกล่าวหาเขาถ้าเขาไม่ใช่เป็นผู้ไปเศษการไปเศษนั้นจะกลับมาผู้กล่าวหานะนั่นคือนั่นคือตามตัวห a d i t นะว่าคนที่ไปกล่าวหาคนอื่นว่าเป็นผู้ไปเศษโดยที่ว่าเขาไม่ไปเศษการไปเิษนั้นกลับมาหาตัวเรา แล้วก็ฮาริตนี้นะโดยความหมายแล้วเนะี่ยหมายถึงพวกเขาวาริตนะซึ่งเขาได้อุตริได้บิเดาเรื่องหนึ่งคือเรื่องการตักฟีสมุสลิมีมนะซึ่งพวกเขาจะตักฟีสหรือว่ากล่าวหาผู้ที่ทาบาปใหญ่ทั้งหมดว่าเป็นเป็นคาเฟ่แล้วก็แค่นั้นไม่พอนะพวกเขาก็ยังฆ่าควันวรนดาผู้ศรัทธาด้วยข้อหาว่าคนเหล่านั้นเป็นผู้ปฏิเสธเราจะเห็นว่าคือเรื่องของการรบการฆ่ากันง่ายๆ นะเนื่องจากว่าข้าวเาวันคือเขาไปเศษเดี๋ยวพวกในในใ น, ในยุคหลังๆใช่ไหมครับได้กล่าวหาว่านะผู้นําประเทศนี้ไปเศษผู้นำประเทศนั้ประเทศแล้วก็ปูกกระดมุมไปรบกับเขาด้วยข้อหาว่าเขาเป็นผู้ปฏิเสธก็เลยเกิดการสู้รบกันแล้วก็ล้มหายตายจากกันมากมายนะถ้าคนเหล่านั้นเชื่อความเอารัสเซียของรัสูลก็ไม่เกิดไม่เกิดเรื่องราวที่อาพยล่านี้นะครับไม่เกิดเรื่องดาวการฆ่ากันในบรรดา มุสลิมนในเรื่องของการกล่าวหาแต่ส่ว น, ววนผู้ติดการพิจารณ์เราไม่เราไม่ว่านะครับตรงนั้นการเพิจารณ์ในในสิ่งที่เรารู้แล้วว่าเขาไปเสดศัสนาที่มาจากอัลลอฮ์ศาลามาจากลอซูลและพยายามสร้างศาสนาใหม่ขึ้นมาต้นเตนศาสนาอิสลามอันั้นเราก็ไม่ว่านะอันนั้นคือเรื่องของการการต่อสู้ผู้ไปเสดก็คือต้องต้องมีการต่อสู้นะเพื่อปกป้อ ง, องบรรดาผู้ศรัทธาหรือปกป้องดินแดนผู้ศรัทธาถ้าเขามารุกรางนะแต่แต่คนที่เป็นมุสลิม นะที่เขาไปปฏิ ส, สนธกิจนะเขาก็ตามแนวทางของอเลาะแนวทางกระซุออ่นก็อ่านคุอ่านอันฮัดดิษนะแล้วเขาก็อยู่บนหลักศาสนาถ้าเขาทําความผิดบ้างนะในบางเรื่องเขาไม่ใช่เป็น ม, มะซู่มวันเดียวไปกล่าวหาว่าเขาเป็นผู้ไปเศษไม่ได้นะและ้วก็เอ่อในเรื่องนี้นะมันมันก็มีรายละเอียดเยอะนะมันมีเงื่อนไขเอ่อถ้าเราไปเห็นคนที่ว่า การพิสูนาภิกษุแล้เมื่อมา่ก่อนเราชอบว่ากันมากใช่ไหมคือชอบว่าแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ทรอมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแล้วก็ถ้าไปว่าเขาถ้าเขาไม่เป็นมันจะกลายมาเป็นที่เรานะว่าเรอายาสุบินแล้วนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปบอกว่าใครเป็นผู้ที่ไปเศษนะหรือเป็นฟาซิกเนี่ยนะคนคนนั้นเนี่ยต้องเป็นคนรู้นะรู้แล้วก็รู้ว่าคนที่ ที่ทำํำอ่ะเขาทำํำเขาเขาก็ทําสิ่งที่เป็นเป็นกรารพิษจริงๆนะเป็นการออกนอกศาส น, นาจริงๆใช่ไหมครับนะแล้วว่าคนทำํำน่ะเขาก็ต้องรู้ด้วยว่าสิ่งนั้นน่ะไปเสียดเอารัด จ, จริงถ้าทำไปแล้วแต่ถ้าเขายังไม่รู้เนี่ยอเราจะไปว่าเขาไม่ไราต้องไปสอนเขาต้องไปบอกเขาเพราะเขาไม่รู้ใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นอแล้วก็ ปีกอาการหนึ่งก็คื อ, อคุณคนนั้นกระทําด้วยความประสงค์ของเขาเองหรือไม่ถ้าเขาทําด้วยความประสงค์หรือเขาถูกบังคับนะถ้าเขาถูกบังคับก็ไม่ก็ไม่ว่าอีกนะนะแต่ถ้าเขาทําด้วยความประสงค์เจตนาจริงๆอันนั้นกอ็อีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นเงื่อนไขที่เราจะต้องต้องรู้ชัดต้องทราบแน่ชัดนะแล้วก็ถ้าคุณค น, นนั้นเนี่ย เขาทำไปด้วยชิบะฮะชิบก็คือเขาเข้าใจอย่างนี้เขาเข้าใจอย่างนี้นะเขาเข้าใจว่าอย่างนี้มันถูกนะแล้วก็มันมีอะไรที่ทําให้เขาเข้าใจอย่างนั้นนะมันมีสิ่งที่ทําให้เขาเข้าใจอย่างนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปไปว่าเขาว่าเป็นผู้ไปเศษจนกว่าจะบอกให้เขาเข้าใจให้เขารู้ชัดในทราบแน่เพราะเขาได้ได้ความรู้มาจากแหล่งความรู้ที่ผิดหรือข้อมูลที่ผิดทาให้เขา เข้าใจผิดนะเราจะไปกล่าวหาเขาเป็นผู้ปฏิเสธไม่ได้นะแล้วก็อีกประการหนึ่งที่เราจะต้องระวังก็คือว่าการที่เราจะไปกล่าวถึงคนตัวบุคคลเลยนะว่าเขาเป็นผู้ปฏิเสธนะโดยที่เราไม่ได้รู้รายละเอียดนั้นไม่ได้แต่ในกรณีที่เราบอกบอกตามฮาดี์บอกตามกุอานว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมของผู้ปฏิเสธพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมชารนรก เอามาจากไหนเอามาจากอ่านคัมภีรอามจากฮะดีดนะเอามาจากหลักฐานที่มันถูกต้องเพื่ออะไรเพื่อเตือนไม่ให้คนไปกระทํารืมีพฤติกรรมเหล่านั้นไอ้นั้นเป็นสิ่งจําเป็นนะวายิปไอ้นั้นไม่ได้เป็นการตักฟีดนี่ไอ้นั้นไม่ใช่แบบการตักฟีดไม่เป็นการบอกว่าเป็นการไปเสดไม่ได้ไปกล่าวหาเขาว่าเป็นผู้ไปเศษแต่เราบอกถึงพฤติกรรมใครทํำอย่างเนี้ยพฤติกรรมแบบเนี้ยมันเป็นแบบไปเศษเพราะนั้นนะกลัวว่าถ้าเราทําน่ยเราจะกลายเป็นผู้ไปเศษ แล้วก็จะเป็นชานารกเหมือนที่เรากล่าวในคุปานเหมือนที่กล่าวในฮะดีอันนี้เป็นไา ย, ยิบต้องบอกใช่ไมครับว ย, ยิบต้องบอกนะแต่เราจะไม่ไปบอกว่าคุณ น, นี่แหละกาเฟยย่ใช่ไหมครับณ น, นี่แหละเป็นชาลรุกไม่ใช่อันไม่ใช่ถ้าเราไม่รู้เคยเป็นชาลรกเคยเป็นชาตวิวันแต่ว่าพิกรรมรู้ไหมรู้อัลลบอกมีในอันคุานแล้วก็มีในอันฮะดีดแม้เราก็สามารถที่จะกล่าวหรือบอก สอนให้คนรู้ไม่ใช่ว่าพอเรื่องเหล่านี้ไม่ได้พูดพูดไม่ได้เดี๋ยวจะจะว่าเป็นการแจกนรกไม่ใช่นั่นเป็นวาทกรรมวาทกรรมอะไรวาทกรรมที่ไม่ต้องก่รให้คนรู้สิ่งที่เป็นความถูกต้องเป็นถูกต้องไม่ให้คนทราบสิ่งที่เป็นความผิดพลาดในผิดพลาดวันพูดไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นการแจกนรกมันไม่ใช่นรกสวรรค์ไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ใช่แช่ของบรรพบุรุษของเราไม่ใช่ของพวกเรานะเป็นขอรับตลาเราให้ใครไม่ได้ให้ตัวเราเองก็ไม่ได้ว่าเราต้องขอจากอลตลาขอความเมตตาจากพระองค์ เพราะนั้นน่งคุ้นละเรื่องกันนะอย่าไปเข้าใจว่าการที่เราบอกถึงพฤติกรรมของชาลนรกมันเป็นการไปกล่าวหาว่าใครเป็นชาลนรกไม่ใช่แต่สิผู้ใดที่ลอกกล่าวไว้ในคัมภีรนท่านนิพพิกล่าวไว้เป็นชาลนรกเราต้องยืนยันว่าเป็นชาลนรกนะครับนะว่บุญละคับอบุละครับอบุญยะหันต่างๆเนี่ยนะครับนะหรือพีราอาอุนอ่านะเราจะไปบอกชาตสวรรค์นั่นก็ไม่ได้นะหรือใครที่มีพฤติกรรมเรียนแบบคนเหล่านี้ กลัวว่าเขาจะเป็นชาญารุปก็กลัวเตือนไว้ก่อนอย่าไปทำนะกลัวว่าเท่านั้นเองแต่เราไปยืนยันเขาเชาญารุกไม่ได้เพราะมันไม่มีหลักฐานที่บอกว่าเขาเป็นชาญารุกนะแต่ว่ากลัวว่าเขาจะเป็นชาญนรุกถ้าใครทําความดีเอาแล้ก็บอกพฤตกรรมของชาตสวรรค์ถ้าทำอย่างนี้อย่างนั้นหวังว่าจะเป็นชาตสวรรค์นี่จะบอกว่าเขาเป็นชาตสวรรค์ไม่ได้นอกจากคนที่ท่านอบีบอกว่าเป็นชาตสวรรค์10บคนที่เป็นซอว์มัสท่านอบีบอกใช่ไหมครับนะแล้วก็คนอื่นๆด้วยอาลุนบาดัดท่านนบบีอับดุ นะสามร้อกว่าคนอท่านนบีบอกว่าคุณเหล่านี้เราต้องยืนยันว่าเป็นชาวสวรรค์ถ้ากไปสวนทางท่านนาบีบอกว่าคุณเหล่านี้ชาวนารกอันนั้นเราบอกว่าคุณกําลังโต้กับท่านนาบีและคุณไม่เชื่อท่านนาบีเพราะคำว่ามุฮัมมัดรอซูลละของคุณมันขาดไปแล้วนะคุณต้องตบัสถ้าไม่ตบัตคุณก็เป็นผู้อิสเดรอซูลุละใช่ไหมครับว่าไปสวนทางรอซูลละถ้าถ้าเขายังยืนยันอีกอว่าชาวท่านนาบีแล้วเป็นชาวนารกระเบิดท่าน ท่านไม่ใช่แล้วนะท่านไม่ใช่ไม่ใช่อยู่บนหนทางถูกต้องแล้วท่านลงแล้วนะนะว่าเราอลัมอาจจะให้ท่านกลับตัวตอนที่จะตายก็ได้นะอาจจะเป็นสวรรค์ก็ได้แต่ถ้าอยู่ในอากีดานี้เป็นชาญารุกว่าได้ไหมได้เหตนไม่แปลกถ้าอยู่ในอากาศอาคีดานี้ความเชื่อนี้ท่านเป็นชาญารุกแต่ถ้าหากว่าท่านกลับตัวอรรรเดินใจท่านปวดใจท่านใไฮเดียไฮดายาคับท่านต้าเฟียกับท่านได้มาเป็น ผู้ที่เขาใจศาสนานะท่านเขาเป็นชาวสวรรค์ได้นะแต่ถ้าดื้อดึงไปอย่างนี้อยู่ในสภาพอย่างนี้อาคิได้แบบนี้ก็เป็นนาคิดดั้งชานารุกอย่งางชัดเจนนั้นเราเราเตือนให้เขาหลีกเลี่ยงจากคุยตำของการเป็นชาแนารุกไม่ใช่เป็นการแจกนรกหรือขายนารกนะเพราะนรกมันจะเป็นของเราจะไม่แจกใครนะดังนั้นเะราก็ต้องต้องเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พวกเราได้ทำความเข้าใจในเรื่องของการตักฟีสนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ที่ในระยะหลังๆจะมีการพูดถึงกันมากนะแล้วก็ว่ากันมาก นะพวกนั้นเป็นชาวนรกบ้างอะไรบ้างคือว่าเป็นคนเลยเป็นรายหรือเป็นพวกเลยนะเป็นพวกเลยเป็นกลุ่มเลยอย่านี้มันก็ไม่ใช่นะเราก็ต้องอะไรครับต้องเข้าใจด้วยนะถ้าจะไปบอกว่าเป็นชาวนรกเนี่ยเขาาผิดอะไรถ้าเขาเอาคำภีของเรามาสอนว่าไปตามอัลกุรอานว่าไปตามฮะดีดแล้วแล้วใครหล่ะเป็นชาสวรรค์ถ้าหาว่าคนที่ไม่เรียนอันคนที่เรียนกุรอานเรียนอัลฮะดีดเป็นชาวนรกแล้วใครเป็นชาสวรรค์ นะคนที่ตัสร้างสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาเองสร้างศาสนาขึ้นมาเองอหรือว่าปฏิบัติคามแบบท่านนาบีนั่นหรือชาสวรรค์มันก็ต้องคิดนะต้องคิดเยอะมันก็ขอตลอดเวลาว่าให้เราได้เห็นสิ่งถูกเป็นถูกแล้วก็เอาไปปฏิบัติเห็นผิดสิ่งผิดพลาดผิดพลาดแล้วก็ห่างไกลด้วยแล้วก็ให้เรายึดนั่นมั่นตามแนวทางของอท่านนาบีนสลุลตัลนละอย่าได้เลยเถิดนะอย่าได้ไปกล่าวหาใครง่ายๆว่าเป็นชาวนะรกเป็นคนไปเศษนะ และบางทีเราอาจจะเข้าใจแล้วว่าคนนี้น่าจะเป็นคนปฏิเสธแต่เขายังอ้างความเป็นมุสลิมอยู่เราก็ยังไม่สามารถที่จะไปกล่าวเอือ er ชื่อเขาแต่ว่าเราก็ไว้ด <pol ad ises> ูไวในใจก็พอนะเพราะถ้าเรากล่าวมาเมื่อใดก็ท่าเราก็ไปกล่าวหาเขาแต่ถ้าเขาไม่เป็นคาเฟตจริงๆริงการกล่าวหานั้นจะกลับมาสู่ตัวเราหรือการเป็นมูนาฟิกก็เหมือนกันมูนาฟิกยิ่งกว่ายิ่งกว่าคาเฟตอีกนะมูนาฟิกไปกล่าวหาเขาเป็นมูนาฟิกยิ่งกว่า ยิ่งกว่ากาแฟอีกเพราะมุนาฟิกนั้นปิดดักกินอัศวลนมินานาตอยู่ในรกชั้นต่าสุดอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปว่าใครคนหนึ่งคนใดโดยโดยอะไรครับโดยโดยตัวของเขาโดยนามของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้น่แต่บอกพฤติกรรมได้เหมือนซาณบีบอกลักษณะมุนาพิกหนึ่งสอาเนี่ยบอกนี่เราสามมุนาพิกบอกได้ไหมบอกได้ทาไมบอกทําไมบอกให้เรารู้ว่าอย่าไปทำถ้าทำเดี๋ยจะกลายเป็นมุนาฟิก นะแต่จะเป็นไม่นับจริงหรือไม่จริงว่าเราอาลเราไม่รู้ถึงว่าใจของค น, นมันไนมะ่น่าคนในสนามรบนะที่รบกับมุสลิมอ่านฆะ่ามุสลิมอยู่นะครับนะพอพอผู้ศรัทธาไปเข้าถึงตัวเขาจวนตัวเนี่ยนะอุซามะไปเข้าถึงตัวเขาแล้วก็จวนตัวนียเขาทิ้งดาบลอยลอยนั่นรอกอุซามะฆ่านะอ่านะเพราะอะไรเพราะว่าเห็นเมื่อกี้เนี่ยกำลังฆ่าคนมุสลิมอยู่นะนะแต่ว่าจวนตัว สู้ไม่ไหวแล้วก็ทิ้งดาบไล่นั่นหรอท่านเบี้ยท่าน่จะไปฆ่าเจ้าไปฆ่าคนที่กล่าวไล่นั่นหรอฉะนั้นหรืออุษม่าบอกว่าเขาฆ่าเออไม่ใช่คือเขากล่าวเพราะเขาต้องการเอาตัวรอดเพราะเขาสู้ไม่ได้แล้วก็าจวนตัวแล้วจันจึงกล่าวเมื่อกี้ยังไม่ไม่คิดจะกล่าวเลยยังต่อสู้ยังเข้มแข็งอยู่เลยแต่พอพอพอจวนตัวแล้วมากล่าวไล่นั่นหรอเพราะฉะนั้นจันทิงฆ่าเขาท่านเบี้ยฮัลลาชักเชียกอบตาสดดาวพูเอากันมาก่อนนะ ท่านเนีไปเปิดหัวใจเขาดูแล้วหรือว่าสิเขากล่าวมาเนี่ยเขากล่าวกล่าวเป็นโมนาฟิกหรือกล่าวหลอกลวงหรือก็กล่าวจริงท่านเปิดเปิดหัวใจเขาดูแล้วหรือท่านย้ำไปย้ำ ม, มาจนทั่งอุสาม่ า, าบอกว่าถ้าไม่มีวันนี้ก็จะดีนะฉันฉันรู้สึกว่าเสียใจมากที่สุดนะอะที่ท่านนับีกล่าวว่าท่านไปเปิดหัวใจเขาดูกันหรือฉันเนี่ยห่างไกลจากการกระทำเช่นนี้นะนะท่านอับีขอห่างไกลจากการกระทำนะแบบนั้นเพราะว่า เราไม่รู้หัวใจของคนพำลังการไปกล่าวหาคนโดยที่เราเห็นพฤติกรรมบางอย่างของเขาแล้วเข้าใจว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นมโนฟิกอันนี้เราเข้าใจเอาเองดังนั้นเราจะพูดออกมาไม่ได้อย่าอย่ารึอย่าอย่าปากเร็วอย่าปากเร็วที่จะไปกล่าวหาคนก็ขอตลาว่าให้เราเนี่ยนะพยายามที่จะอะไรสอบสวนตัวเองให้เยอะนะแล้วกล่าวหาตัวเองให้เยอะไม่เป็นไรกล่าวหาตัวเองไม่เป็นไรสวัทดีนะพีกล่าวหาตัวเองนะ เาเคยได้ยินฮันซอลแล้วไหมฮันซอลแล้วคือเนี้ย น, นะน่ะเมื่อท่านนาบีกล่าวถึงลักษณะของมูนาฟิกท่านนาบีกล่าวถึงเรื่องของคนมูนาฟิกเป็นอย่างไรอย่างไรเนี่ยฮันซอลแล้เนี่ยนะถึงกับเศร้าสลดเลยไปหาอูบักแล้วก็บอกอูบักว่านาฟาโกฮันซอลแล้โอ้อบูบักฮันซอลแล้เป็นมุนาฟิกไปแล้วนะทำไมล่ะก็เพราะเวลาอยู่ท่านนาบีเนี่ยนะอิมาน อิมานเลยทำความดีไม่เคยนึกถึงสิ่งที่เป็นความเลวร้ยรายเลยนะแล้วก็ขยัขยนขันแข็งทําความดีแต่ว่าเวลาออกจากท่านนาบีไปที่ตลาดไปที่อื่นๆในที่ประกอบอาชีพต่างๆของของเราเนี่ยนะรู้สึกว่าอีหมานมันอ่อนไม่ค่อยเข้มแข็งไม่ค่อยขยันนี่แหละฉันเป็นมูนาฟิกแต่ละนะอบูบัค ต, ต์อ้ว่าฉันก็เช่นเดียวกันก็เลยไปหาท่านนาบีท่านนาบีว่าไงท่านบอกว่านะถ้าพวกท่านเนี่ย สามารถจะประทุนเหมือนกับอยู่ต่อหน้าฉันได้ตลอดเนี่ยมาลักัดจะเดินสวนทางกับท่านบนถนนเนี่ยก็จะมาให้สลัมกับท่านนะท่านไม่ใช่แม้สลามมารักัดมาให้สาวกับท่านท่านดีกว่ามารักัดแล้วนะแต่ว่าคนอย่างเนี้ยนะบางครั้งมันเข้มแข็งบางครั้งมันก็ออนไอ่อะไรกินอ่ะทาแบอบกว่าสัตว์ดีดูว่ะก่อรีบูวันก็สัตว์ดีดูทําให้ดีที่สุดก่อรีบูทําให้ใกล้ชิดที่สุดให้ใกล้กับความเป็นจริงที่สุดให้ใกล้กับความถูกต้องที่สุดนะแล้วก็ เ, เราอยากได้ ท้อถอยเราจะได้ท้อถอยนัเพราะฉะนั้นการการกล่าวหาตนเองนี่ท่านในบีจึงว่าไม่บาปกล่าวหาตนเองไม่บาปแต่ว่าอย่าไปดูถูกตนเองก็แล้วกันเจ็บไหมครับกากล่าวหาตนเองเอย่าไปดูถูกตนเองการกล่าวหาตนเองเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้จะได้ให้เราเนี่ยขัดเกลาตนเองให้ยกระดับตัวเองขึ้นมาให้ดูคนที่สูงกว่าเราในเรื่องอาคีระองเจ็บไหมครับให้ดูคนที่ขยันกว่าเราให้ดูคนที่วาระมาน มามัสดิดมากกว่าเราอย่าไปดูคนที่มาเดือนละครั้งหรือปีละครั้งมันกว่านะฉันเนี่ยไปทุกวันศุกร์เพื่อนเราไปปีละปีละสองครั้งหรือปีละครั้งฉันก็ดีกว่าเขาอย่างนี้ไม่ใช่เราต้องดูคนที่เขามาทุกวั น, นเราต้องดูคนที่ทําความดีมากกว่าเราอย่าไปดูคนที่มีความดีน้อยกว่าเราจะทําให้อะไรครับความทะเยอทะยานในการทําความดีของเราเนี่ยมันจะลดและจะไม่ขี้เกียจแต่ถ้าเราดูคนสูงกว่าเราเนีน่ยเราก็จะได้ ขยับตนขึ้นไปเรื่อยๆสิทธิก์กรรในโลกดุนยาอท่านวิญาเราดูท่านท่านอ่านทานในเราดูอะไรดูคนที่ต่ํากว่าเราเพื่ออาจจะได้ขอบคุณในเนี่ยมัสติละประทานให้ะถ้าเราดูคนที่สูงกว่าเราเนี่ยเรารู้สึกว่าท้อแท้แต่ถ้ า, าดูคนที่ต่ำกว่าเราเนี่ยเราขอบคุณเลราะเราตระหนัคนที่อเดินได้ก็ต้องดูว่าคนที่เดินไม่ได้อยู่ที่บ้านไปไหนไม่ไหวเราก็ดีกว่าเขาใช่ไหมครับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ ดูคนที่ตายไปแล้วว่าเขา ม, มีโอกาสจะมาทําอะไรแล้ไม่อยู่ก็หลูกกรลแล้วทำความดีก็ไม่ได้ทําแล้วจบแล้วเรายังมีโอกาสได้ทําอยู่ใช่ไหมคนที่มีจักรยานก็อย่าไปดูคนที่มีรถมอเตอร์ไซค์ไปดูคนที่เขาเดินเขาเหนื่อยเราเราก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะเรามีมอเตอร์ไซค์เราก็ดีกว่าคนที่มีจักรยาน อ, อย่างเนี้นะถ้าเราดูคนที่สูงกว่าสูงกว่าเราก็จะถ้าเยอทะยานในเรื่องของ ความสะดวกสบายในโลกดุนยาแล้วก็เราลืมที่จะแสะแบกหน้าอาเครอนั่นคือความกาดทุนนะว่าหลอนยาสมบินแล้วก็วันนี้เราก็จบแค่นี้นะครับ3ามอายัดแล้วก็เอาบทเรียนจากอับบาเนสรา อ, อินนะว่าคนที่ได้รับความรู้จากลาตาแล้วเนี่ยอย่าลงตนแล้วก็อย่าละทิ้งความรู้แล้วก็ไปเอาตามอารมณ์แล้วก็อย่าเอาความรู้ของเราไปไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่จะได้รับความดีในโลกดุนยาเพียงเล็กๆน้อยๆ นะแล้วก็ไปตามอารมณ์ใจตนในวันอาคิโรก็จะอยู่กับมันในในนรกวลยอบินลนะก็ขอตวลาให้พระองค์ทรงคุ้มครองพวกเราด้วยนะอาหมินยารบาลามินโรบนาลาตูอาคิดนาอินนซีนาตโนาโรบนาวลาตั้งมินาเลนาอิสรองกามามันตวันลลาตนมิกอบดินาบนาวลาตุวขินนา马拉โตโคสตานบีวนาวอฟิลนาวัดหัมนาอันตมลานาันุดนาลังกวมินกาฟิรินโรบนาอาตินาฟิดดุนยาสนะวอฟินอาคิวติสนวกินาซานาร وصل ا ل ل ลอ ل ฺวะล ي ن ฺ ح บีนฺอฺมุฮัมมั ب ฺว ي ن าอฺอะ ح ีฺฮิวั ب ซาฮาบะ ب ียะมะอิน ل ุบฮฺฮะนะร์ ل บีการับบินไอก์สตี ل ัมมา ا ل م ิดพู ل วัสล و ห์ม ا นนฺอัลมุสล